ทางผูเจ้าได้เดินไปกับท้านนนแล้วก็ผ่านทุ่งนาแห่งหนึ่งแล้วก็บังเอิญเ ห, นเหนเ็นเงินตกอยู่เงินก็คงจะมีจำนวนพอสมควรมีคนทั้งตกเอาไว้ที่เจ้าก็ตัดกับข้านนนว่นเนี่ยเป็นไหมอสุรพลิก รวมตัดกับอ่าน น, นั้นว่าในเงินเปรียบกันก็สารพิษอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคาเปรียบเทียที่ได้ยินกันบ่อยในหมูพระนะว่าเปรียบว่าเงินเ ป, นเปนรียบสารพิดแต่ที่จริงไม่ใช่เฉพาะเงินนะธรรมะนี่ก็เปรียบได้ก็สบสารพิดเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนได้ โกเทลัยผู้ตั ด, ดตัดว่าผู้ที่ศึกษาทำถ้าถ้าศึกษาไม่ดีเช่นศึกษาเพื่อ ย, ยกตนขุนท่านเพื่อรับสักกาละก็เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องการจับืูพิษนะแต่ว่าจับไม่เป็นงูมก็ฉกมันไม่ตายหรือปางตายได้ หลายสงสัยว่าทำบมานที่เกลี่ยงก็เอาอสารพิษได้เฉลรือแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งที่งได้ปัดเปรบเทียบเอาไว้ทำบมานที่มีประโยชน์ก็จริงนะแต่ว่ามันก็มีโทษเหมือนกันถ้าใช้ไม่เป็นก็เหมือนการบวชพระหรือว่าเทศนันญัิชิดนี่ จ้าเคยเปลี่ยนมันก็ว่ายาคาเนี่ยถ้าถ้าจับไว้ไม่ดีนะมันก็บาดมือได้การถือเพศพระมาจันหรือประาชิตเนี่ยพอปิบันไม่ถุกต้องก็พาลงนรกได้ของดีมีประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษ ในทางตรงข้ามนของที่ดูว่าไม่มีประโยชน์แต่ใช้เป็นก็เกิดคุณได้เช่นว่าจะพืชหรือพวกน้าหรือว่าต้นไม้ที่ไรประโยชน์ดูเหมือนไรประโยชน์แต่ว่าก็เอามาใช้เป็นยาได้เคยพูดไปแล้วหมอชีวกออกไปหาพืชรอบเมืองตะปติลา อาจารย์ก็บอกว่าให้ไปหาดูเช่ว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่ทำเป็นยาไม่ได้ออกไปหาหมดเลยรอบอนึงแล้วก็หลายวันก็มารายงานด้วยพือทุกอย่างเป็นยาได้หมดซึ่งอันนี้ก็รวมถึงวัชพืชรวมถึงพวกหมามุย้ยตัพิษไมย่าลาพวกนี้ที่คือไทยอยากจะทำลายเพราะว่ารบกวน ก็เป็นยาได้กิเลสตัณหาเอามาใช้ให้เป็นก็เกิดคุณได้ในทางตรงข้ามนะธรรมะนี่ถ้าใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษใช้ไม่เป็นนี่ก็หมายถึงว่าเช่นสุตสาศึกษาด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือว่าศึกษาแบบไม่ถูกวิธีเจดมุ่งหมาย ไม่ถูกต้องเพื่อมันก็กลายเป็นการส่งเสริมกิเลสไปทำให้เกิดความหลงตัวรุนทนยุบคนคนชัน่นก็มีคนใช้ อ, อำมานี่เพื่อประหัตหารผู้คนเยอะนะหรือว่าทำต่ำก็เพื่อไปดูถูกคนยิ่งเรียนสูงก็มีนารโนแบบนี้มาก เมื่อสักเจ็ดสิบแปดสบปีก่อนนี้ก็มีพระราชาคณะท่านหนึ่งนะท่านเป็นเจานานน้าคณะมณฑลอุบลแล้หลังก็ได้รับเรื่องสมณศักดิ์หลวงที่เลียจงจัวนี้มันเป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นหลิงสังฆนายยกนะสมัยก่อนนี้ ม, ยย ม, มันมีสังข์นายยกนะไม่ไ้มีแค่สังฆราชเท่านั้นมีสังนายยกเลยพระสารนกท่านนี้ตอนที่เป็นเจ้าคณะมณฑลอุบล น, นี่ ก, น ก, ปปาาก็ท่านรําเกียจพระป่ามากท่านนี้ว่าเป็นพวกที่ไม่ได้เลื่องไม่มีวิชาความรู้เงนเนนายท่านเองนี่เรียนจบประโยคประโยคปริญญาเอกก็เรียนเอกมีความรู้สูง ด้านปริยัติและท่านก็รังเกียจภาพปฏิบัติหาว่าไม่มีความรู้มงนนายบัองเอินอุบลนี่ก็เป็นเป็นเป็ น, ปนจังหวัดที่มีลูกสือลูกาขาหลวงปูมั่นเยอะหลงปู่เสาท่านพา ยาอาภักษาโยมทุตดงเขาเนี่ยถวโวงสามสิบในเขตอุบลท่านก็จจ้านณะมณฑลอุบลก็สั่งให้จเจ้าคณะเผลนนี้ไ ล, ล่ไล่ออกไปจากพื้นที่บากจะกเปกครบบบคองท่งันเกียดมากท่านที่เป็นท ร, รมทย์เหมือนกันอาาคิดว่าพวกนี้ม่มีความรู้อะไรพอไม่ศึกษาเลยเลยมันสูงนานไม่เรียน ท่านตอนหลังนี่ป่วยขึ้นมาป่วยแล้วก็มันเท่าจะไม่รอดก็ได้อาศัยอาจารย์ฟันจฟันมีน้ำเนียนยนุน่มแต่ว่าท่านปฏิบัติทำได้ได้ได้ผลมากก็ให้อาจารย์ฟันมาช่วยแนะนำท่านก็สอนกรรมฐานให้ มีพิจารณาร่างกายว่าเป็นขันมันจะพิจารณาร่างกายว่าเป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมธามันไรู้จับเจ็บไม่รู้จักปว่วยธาตุไฟธาตุดินธาตุน้าขึ้นลมมันไม่จับเจ็บไม่รจับปว่วยแต่แต่เพราะความยึดมันถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันถึงเกยเกิดความทุกข์ขึ้นม า, า, นานั่นก็เจรณญนาแล้วก็เออเห็นผลมันช่วยลดความเจ็บปวดไปได้เยอะ เราลองเริ่มศรัทธาการปฏิบัติก็เกิดความเคารพศรัทธาหลวงปู่มั่นในศาสนานลูกศิษย์ขนนี้นะและอาจารย์ขนาดไหน ท, ที่งท่านเจอท่านพอลีท่านพอลีนี่ก็สอนสมาธิให้ก็เกิดศรัทธาการปฏิบัติพอเจอหลวงปู่มั่นก็เลยสงสัยว่า ท่านเนี่ยไม่เคยรียนหนังสือเลยทำมถึงธรรมะถึงแตกฉานตอนธรรมะจะเริ่มคุ้มตั้งตออก่น อ, อนธรรมะคู่มีปัญญาธรรมะ ม, มีอยู่ทุกหยอ่อมยาธรรมะ ม, มีอยู่ทุกหย่อมยาสาธุมีปัญญาเรื่อเกิเลยเห็นว่าเราเข้าใจผิดนะว่า ต้องเรียนตำรับตำราเรียนจากหนังสือท่านถึงจะมีถึงจะต้นทุกได้ถึงจะรักษาศาสนาได้ตอนที่หายป่วยเพราะสมาธิที่ท่บอกเล่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิมันจะมีคุณค่าขนาดนี้หรือท่านเรียกว่าเน้นแต่ประดิษฐ์เน้นแต่ ปริญญาล้วนๆเน้นแต่ปริยญาล้วนๆแล้วก็แทนที่จะรู้ถึงแทนที่จะรู้ว่ามันยังไม่พอต้องปฏิบัติเองนอกลับดูถูกการปฏิบัติหรือดูถูกผู้ที่ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่มโนศึกษา ม, มากแล้วก็แต่ว่าวางใจไม่ถูกก็กลายเป็นความหลง เราก็ น, นำไปสู่การยกตนของท่านรังเกียจคนที่ไม่ได้ศึกษาจากตำราแต่นี่ก็ยังเบาะๆนะผลเสียของมันผลเสียง ก, การเรียนไม่ถึงวิธีก็มันมีมากกว่านี้เยอะเช่นทำให้ใช้เพื่อการแสวงหารับสัพพาระพอได้รับสัพพาระก็ติด แล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งหลงหนักเข้าไปใหญ่ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแค่รู้ว่าดีไม่พอนะมันต้องใช้ให้ถูกด้วยอย่างที่เราสวดเมื่อกี้พูดเนี่ยพูดแต่ปฏิบัติธรรมโดยสมจแกงอยากทำในความพิถีพิได้ชอบแล้วปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติธรรมเฉยๆนี่ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่น่าไว้ใจนะ มันต้องปฏิบัติธรรมโดยสมควรแต่ทำด้วยเพรปฏิบัติธรรมโดยไม่สมควรแต่ทำก็มีอยู่ปฏิบัติธรรมผิดนะทำผิดวิธีทงผิดทำผิดจึกมุ่งหมายมันก็ทำให้เกิดผลเสียได้ให้ทานแต่ให้ทานด้วยด้วยจิต ท, ที่มีกิเลสมันก็เกิดผลเสีย รักศีลแต่รักษาศีแลแทนที่จะทำเพื่อขัดเกลาตัวเองก็ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มพูนมานณ์ก็ได้ภาวนาภาวนาแล้ว่าไปอยากได้ฤทธิ์อยากได้ความสำเร็นะมันก็อาจจะทำให้ติด เวาทวาทัศน์หลงตัวลืนตนที่ว่าตัดสินุพระเทวทัศนนี้ก็ปฏิบัติแล้วเกิดเกิดได้ฤทธิ์ได้ได้ความสามารถทางจิิที่เขึ้นแล้วก็หลงหลงตัวเวาทวทัศน์คิดว่าเด็กคิดจะไปเป็นผู้นาแทนผู้จ้า ก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยแต่พอมไปติดแสงสี้ว็วางใจงไม่ถูกไปยึดก็เลยหลงตัวตัวเองไปรู้ทำนะนี้กลายเป็นว่าทำสมเพื่อารทำมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องเตือนตัวเองอยู่เส ม, มอเพราะว่าการศึกษาทำเนี่ยเหมือนกัจับมือพิษเนี่ยบางทีใช้เป็น การศึกษาไม่เป็นเนี่ยจำเนื้อคิดนี่ถูกโดนเนคิด ต, ตัดเพราะว่าศึกษาก็ไม่ได้หมายเฉพาะการศึกษาจากตำรับํารานนั้แต่ดิมการปฏิบัติ่งปฏิบัติก็ปฏิบัติให้ถูกถ้าถูกความว่าถูกนี่ก็รวมไปถึงว่าปฏิบัติด้วยความมายดมั่นถือมันหนึน่งอย่าง แค่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของธรรมะแต่ละข้อคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงตามความมุ่งหมายนะั้นอนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เรียนมาจะเทยงว่าเออธรร ม, มะนี่สอนว่ายัางไงสอนให้ทําบุญศีลมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ก็รู้ว่ามันเป็นข้อข้อรู้ว่าต้องทําอย่างไรอนะทําบุญ หมายถึงอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้สอนว่าทําเพื่ออะไรทําบุญก็เอ่าใส่บาตช่วยชังกระทานเท่ากับทิ้นอั น, นี้เรียก ว, ว่าให้ทานรักษาศีลกนน็ข้อหนึ่ข้อสองข้อสา ม, ข, สามข้อสี่ข้อห้ามีอะไรบ้างศีลแปะก็มีอะไรบ้างไปปฏิบัติไปแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยสอนนะว่าจุดพวกหมายเพื่ออะไรสันโดษในความ อยู่ง่ายจริงง่ายเพื่ออะไรไม่เคยเรียสอนแต่บอกว่าเออก็ให้อยู่ง่ายๆให้ปล่อยใจสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่ได้การสอนธรรมะไม่เคยพูเรื่องจุดมุ่งหมายเท่าไหร่อันนั้นก็ก็เลยปฏิบัติไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายของรธรรมะสันติข้อตอนนี้ก็ใช้ติ ด, ดผิดเช่นขณะที่กําลังชุ้นซ่าน ก็ไปพยายามใครค่ครวนธรรมาใช้ธรรมวิทยะเพื่อแลยยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่หรือว่าฟุ้งการอยู่แล้วยิ่งทำความเจียนหนักขึ้นมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ใช้ไม่ถูกระหว่างที่ฟุ้งการันต้องเอาตัวอื่นมาช่วยแทนเช่นสมาธิหรือว่าปิติอรรถอุเบกขา ดูใบขาวเช่นวอกไทีออ่มันชุ่มางเออก็ดูมันไปคิดไม่ต้องไปงไปคืปรอราบมือกับมันแค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปกดขมมันจดีก็หายไปเองรมะที่ก็ดีวิริยะก็ดีธรรมวิญาก็ดีก็เป็นของดีทั้งนั้นนะเป็นโค เ, เป็นอยู่ในธรรมเรกโรชงเจ็ดโคชงเจ็ดนี่มีตั้งเจ็ดตัว แต่ว่ามันมีสองกลุนะ่มที่ใช้แตกต่างกันกลุ่มแรกนี่เป็นกลุ่มประเภททำให้กระตือรือ้นเช่นวิริยะอัมวิจยะหรือว่าปิติมันทำให้เกิดความกระตือรือร้นอีกกลุมหนึ่งทำให้ทาให้สงบเช่นสมาธิ สัิอุเบกขาถ้าสงบอยู่แล้วนี่ไปใช้ทำฝ่ายหลังสมาสธิปัจทีอุเบกขาก็ยิ่งเฉื่อยก็ไปใหญ่ต้องรู้ว่าธรรมะแต่ละข้อมันมีวัตถุประสงค์อย่างไรมันมีลักษณะเด่นอย่างไรลักษณะ ด, ด้อยอย่างไรก็มีแต่สติ น, นั่นแหละที่เจ้าบอกว่าใช้ได้ทุกกรณีนอกนั้นมีใช้ได้บางกรณี พ็ชงเจิตเนี่ยถ้าเป็นสมาธิปัจจุันอุเบกขานึใช้เวลาที่จิตมันฟุ้งมากไปก็ต้องเอาตัวนี้เข้ามาถ้าจิตมันเฉืยมากไปก็ต้องใช้ธรรมวิจยะวิริยะปิติคือได้ใช้อีกอีกหมวลหนึ่งอีกกลุ่มนหนึ่งนี่ก็ยิ่งเฉยซะไปใหญ่ ก็มีแต่สติท่านเลยพุทธเจะาแต่ ว, ว่าใช้ได้ทุกกรณีที่เรใช้ไม่เป็นนี่ก็เกิดปัญเกียร์ไม่ได้รับประโยชน์ตามจุดมุ่งมายแต่ตรงเสียงก็ไม่มากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกัว่าปฏิบัติธรรมกลายเป็นสนองกินเลยช่วยหลับปากปกาละช่วยกตนสัมผัสที้ปฏิบัติธรรมสมงผลตางที่บอกเลยว่ า, วา ที่สาคัญเลยคือว่าปฏิบัติทำโดยไม่ยึดมั่นถือมันนี่พุทธาก็ตัดได้เหมือนกันว่าทำบุโองเหมือนกับแทรแทรที่เอาไว้ข้ามไว้ข้าฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ก็เดินตัวกล่าวไปเลยนะไม่ต้องแบกแพรด้วยคือเราแบกถึงดักแพรตึงฝั่งด้วยไปไหนก็แบกไปนี่ก็เรียกว่างโง่แล้ว ก็วางแพ้ไว้ตรงนั้นปล่อยแพ้ไว้ตรงนั้นเรื่องเจ้าตาก้อนนี้แม่ก็ช่างศสลธรรมนี้ก็ ย, ง ย, ง ย, ยังไม่ควยึดมั่นถือมั่นได้นภาษราชญ์เลยกับศสลธรรมยิ่งในความพูดถึงอย่างอันนี้เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าคนเราไม่ได้ที่จะยึดมั่นถือมัน่นยิ่งเห็นว่าอะไรดีแล้วก็ยิ่งก็ง่ า, ายที่จะยึดเย็นยึดบุญยึดความดี แต่พอยึดไปยึดไปใครที่ไม่ดีเหมือนตัวก็โกรธหรือบางทีก็เกลียดในเว้นแมก้กระทั่งคนที่เป็นลูกเกลียดลูกพ่อเกลียดรูปแม่เกลียดลูกเพราะว่าไม่ดีอย่างที่พ่อสอนไม่เดีย่งที่แม่แนะนำหรือแม่ปฏิบัติตามทีได้จะโกรธพอโกรธไปนั้นเกลียดเลยนะก็าอาจจะถึงขั้นทำร้ายได้ หรือด่าหรือที่เห็นเด็บาลที่ใช้พอตัวเองดีแล้วใครไม่ดีบนตัวก็ปนางเขาเป็นพวกชั่วร้ายอยันนี้ก็ใช้ความดีในการทำร้ายคนอื่นหรือพอตีความดีมากก็ทำร้ายคนโดยไม่รู้ตัวเช่นถูกกุลายซึ่งผ่งานไปหลายส้าวตีเมื่อวานศึกษาประชาชนก็ถูกฆ่าอย่างหนึมากถึงทะเลาะถูก แขนคอถูก อ, อกอกในคนที่ทํานี่ก็หลายคนก็ทําด้วยความปรารถนาดีต่อช า, าติสากลสต้องการพิดทักช า, าติสากลสรรนี้ในการพิดทักช า, าติสากลสรรจะเป็นของดีนะแต่ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นมากก็กลายเป็นว่าใครที่คิดไม่เหมือนตัวคือพวกทีคิดลบล้มล้างทำลายช า, าติสากสรรเพราะนั้น มันคือพวกคนเลวต้องข้าต้องกำจับมันให้บทแผ่นดินเลยจะได้ไม่ต้องหนักแผ่นดินความดีถ้ามันยึดมั่นถึงมั่นมากก็ทำได้คชั่วได้นะเอาคนต้องเป็นอย่างนี้แขนคอตอกอกคนดีๆก็ไม่ทำนะแต่ว่าถ้ามันยึดมั่นถึงมั่นในความดีมากมันก็ทำได้นะ เพราะว่าเห็นคนที่คิดไม่เหมือนตัวทำไม่เหมือนตัวเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวเป็นเป็นพวกมารเป็นพวกหนักแผ่นดินเรื่องต่ำๆก็ดา่าเท่าด่าทางเฟซปุ๊บนี่ก็เห็นบ่อยเจออยู่ประจำคือพอหลงตัวเป็นคนดีนะใครที่อยู่ไกลฝ่าตัวก็คือคนเลวไม่เหมือนคนเลวแล้วก็ต้อง ต้องดามันต้องไล่ล่างถ้กลายเป็นว่าเผลทําชั่วโดยไม่รู้ตัวเผลอผิดศีลนี่ต้องระวังนความยึดมั่นถือมั่นมันแย่ทางความดีถ้ายึดไปแล้วนีนก็เหบียนมันก็ตีกลับทําให้กลายเป็นทําชั่วด้วยมนมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเกี่ยวเรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งคฟังดูคนเฟรนก็ดีเหมือนกันก็มีพี่ิงสองคนนั่งเือน ค น, นก็บอกว่าไงเดี๋ยวนี้หาคนงานยากนะคนที่มาใช้คนใช้ในบ้านหายยากต้องไปเอาเข้ามาลาความเหนื่ยมาแล้วเขาได้ไหมล่ะมันเพิ่อได้ไม่ทํางานได้ไม่ไ ม, ไม่เป็นได้แล้วก็เจอแต่คนงงงตรงนั้น เมื่อวานก็เพิ่งไล่ออกไปคนหนึ่งเป็นยังไงถึงไล่ออกนะเคื่อนกระถางเมื่อวานเนี่ฝนตก <c oughs> อยู่กำังทงํงานอยูอย่ที่ได้ินเสียงคนงานร้องร้องไห้ก็เลยถามร้องไห้ทําไมบอกฝนตกฝนตกหนักเลยก็เลยไปลดน้ําต้นไม้ไม่ได้ คือมาสองั้นแล้วเธอไปบอกกับคนใช้ไ้ยังไงนั้นือเลยด่ามันไอ้โง่ทำไมไม่กลางล่มนะไปลดน้ำกลางล่มตัวเราไม่ก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยลดน้ำก็ลดได้คนหลงใครโง่กันเนี่ยไอ้ร่อนี้ก็น่าสนใจนะว่าเออวนตกแล้วเนี่ยก็ย่างคิดถึงการลดน้ำต้นไม้อันนี้ คนใช้ส่วนเจ้านายนี่ก็หนักหนักข้อนะกอในเมื่ อ, อจะลดน้ำแล้วนี่ผ้นตอกก็กลางร่มดีมันก็ลดน้ำไปด้วยถ้าคัญ น, นี่มันก็มันก็มันก็ต่อได้หลายนายนะที่หนึ่งคนที่ไปว่าเขาว่าโง่อจนะมันมีตัวโง่ออเขา อ, อีก เมื่อแไรก็ตามที่เราไปว่าเขานี่บางทีเราอาจจะโง่เขาสิ่งนึงจนานายแปลว่าคนนั้นว่างงแต่ตัวนี้กัโง่เลยบางทีกระเตือฉลานั่ก็กาลางลมไปติดตามต้นไม้เลยแะได้ไม่ติดแต่แง่า ย, า ย, ายมันก็มันมก็เฉพาะนี่จริงค ว, ความยึดติดนะก็คือว่าในเมื่อจะลดนาน ต้องลดน้ําให้ได้ฝนจะตกฝนไม่ตกกอย่าลดน้ำบางทีฝนตกแล้วก็มีเงินต้องลดน้ำแต่ว่าพอมันติดอยู่กับการลดน้ําว่าบ่าีหรือห้ามงเย็นต้องลดน้ำพอมันเป็นระเบียบแล้วก็ก็ต้องลดน้ําฝนตกไม่ตกก็ลดโดยที่ไม่รู้ั่วลดน้ําเพื่ออะไรลดน้ําก็เพื่อให้ต้นไม้มันงอกงามแต่ว่าเมื่อฝนตกแล้วก็มีเงนตงลดน้ํา คนเราก็เป็นอย่างนี้นะมันก็ยึดติดในกับรูปแบบกับวิธีการเวลาไปลรงพยาบาลเวลาไปฐานที่ราชการก็จะมีระเบียดเยอะๆมีคนหนึ่งอะไปติดต่อสมัครการไปติดต่อราชการฝ่ายราชการก็บอกว่าให้อบแบบประชาชนมายื่นแบบประชาชน ชาวบ้านก็ไม่ยอมยืน่นไม่ยอมยืนมยมย่น บ, บัตประชาชนให้รัชการก็ข อ, ออยู่ว่าเอา บ, บัประชาชนมาแล้ก็ไม่ให้เลยแล้วก็รบเร้านหลวงจาก บ, บัตประชาชนก็ชาวบ้านก็เลยรำคาญว่านี่ฉันแม่เธอนะเป็นแม่ยังออก บ, บัตประชาชนเลยนี่เพราะว่าเป็นระเบียบก็ทําตามระเบียบเลยไม่ได้สนใจว่า บัตรประชาชนไม่เชื่ออะไรให้ยืนบัตรประชาชให้่เชื่อเล ย, ย, ชชเ อ, เลยอันนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องตลกตลกแต่ว่าจริงๆมัเกิดขึ้นกับที่ประจันบางคนพระเราบางทีก็บางทีเราเราก็ติดกับวินัยมากติดข้ามบทบาิทีอารวาสก็ติดกับที่ข้ามบทที่ไม่รู้จุดมุ่หมายเคืออะไรชอเดี๋ยวนี้มีบงคนบอกว่าเนี่ยเวลาพระ ถ้ากาแสดงธรรมนี่และญาโยนใส่รองเท้านี่มันทามบัดนะต้องให้ญาโยนถอดรองเท้าหรือไม่ถ้าก็ต้องไม่สแสดงธรรมก็เพราะว่ามันมีสิทธาเบร์ข้อนึงว่าอาจะไม่แสดงธรรมกับคนไม่เป็ไข้นะผู้สวมรองเท้าก็ามีโยงคนเดียวก็ติดมากนะเวลาเขาแสดงธรรมญาญชนต้องถอดรองเท้าเตยไปฟูนะใน ทีสปอร์ตคลับนะก็มีโยงนี่มาพูดตอนเราสแสดงคำเสียกวนเนี่ยสแสดงคำกับคนที่ทก็ทดลองแก้เป็นถามม่ะแสดงคำกับคนที่ใส่ลงเท้านี่ถูกต้องไหมคือเขาก็รู้แล้ว่ามันอแบบาจารย์าจารนั้นมัมนก็อําบัตมันเป็นเสทีวัดเขาก็พูด น้องเหมือนกับว่าเตือนเราว่าเนี่ยไม่ควรแสดงทำกับคนที่ให้แบบให้คนฟังที่ยังใายรองเท้าอยู่หรือแม่ก็ต้องบอกให้ถอดรองเท้าที่จริงเนี่ยสิ่งของบางข้อนี้เนี่ยมีไว้เพื่อมาทำกาแสดงเอาว้กคนที่ไม่ควรรบแม่ควแสดงเอว้กับคนที่ไม่ควรรบก็เคยในสมัยก่อนใส่รองเท้าคื่ไม่ควรรแต่ว่าคนที่มาฟังที่สกัดชันนี่เขาก็รบแต่พอรบทั้งทั้งในรบเขาก็ไม่มา เขาก็ไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูไลน์เขก็ไม่ได้ดคุยคุยกันเก็นั่งฟังด้วยความตั้งใจนะถ้าไปเรียกร้ อ, องเขาถอดรองเท้านี่คนก็จะไม่เคยอยากจะมาธรรมะแทนที่จะเป็นของง่ายจะเป็นของยากมีคนจำนวนหนึ่งที่ทำให้ธรรมะกกเป็นของยากแต่ว่าการผิดสิงเป็นของง่ายเลเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นจิตสิงนี่เป็นของง่ายทําปฏิบัติทําเป็นของยากเพราะมีระเบียบ ยว่งรงไปหมด น, นี้ต้องมาจะมาว่าก็ต้องใส่นุ่งขาวห่วมขาวจะมาว่าก็ต้องกราบให้ถูกต้องเงดินาังทะปิ์อันนี้มันเริ่มแบบไม่ค่อยกีดกันคนทีไม่ค่อยสนใจรรเรื่องระเบียบประเพณีออกไปหรือคนที่ไม่ค่อยรู้ประเพณีกีดกันเออกไปหลายคนบอกมาว่ามันดุจยาแบบไม่ดูไม่มาด้วนไปปับไปบานี่มันไม่ค่อไปง่ายเลยเยอะ เดี๋ยวนี้เราทำในการทําชั่วเป็นของง่ายการทําดีเป็นของยากเองแค่จะมาฟังธรรมากก็ต้องต้องขอตรงท้ะต้องทำโน่นทำนี่ต้องกลาบผลมันขึ้นเลยไม่มาต้องทำให้ธรรมมาเป็นของง่ายทําชั่วเป็นของยากแต่พอไปติดกับวินยัยไปติดกับกัแบบพวกศีลพวกข้อกําหนดนี้่ม่นทาให้ทําให้ธรรมมากกลายเป็นของยากไป หรืทําทให้การการปฏิบัติมันมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์พุทธิการ เ, เรื่องเสกเคลียรวัดเรื่องธรรมเทรนาปฏิสังยุทธ์ในส ม, มหลายก็คือสแสดงธรรบุัคนที่เคารพคนที่ไม่เคารพก็อยไปสแสดงทรรมให้เขาฟังแต่พอมากลายเป็นการยึดติดพอไปยึดติดกับปิการบดก็เหล่านี้แล้วนี่จะทําให้ ปฏิบัติคาดเคลื่อนจากจิดมุ่นหมายนะที่พระองค์ได้ได้บัญญัติตรนี้แล้วงทีเราก็ต้องดูดีๆนะนี่ไม่ใช่เพีาะเรื่องศึกธรรมบางอยาเรื่องอื่นด้วยนะการยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบพิธีกรรมหรือกรรมวิธีนี่มันก็สามารถจะทำให้เกิดความภาดเคลื่อนได้เช่นเวลาเดี๋ยวนี้เวลา แสดงทำเนี่ยก็จะมีบางคนก็ยกมือบ้างบางคนก็ไม่ยกมือในคนที่ยกมือก็คิดในใจว่าคนที่ไม่ยกมือนี่ไม่ปฏิบัติส่วนเนคนที่ไม่ยกมือก็คิดว่าออกปฏิบัติต้องยกมือด้วยหรือก็เลยก็เลยยกมือเลยฟังแล้วก็ยกมือเลยตามจังหวะเลยที่ไม่รู้ว่าทําไปทำาม หรือว่าอาจจะรู้ว่าทาเพื่อเจริญสติแต่ว่าสติแบบไม่ถูกต้องเป็นระหว่างที่ยกมือก็ฟังก็ฟังฟังไปด้วยคิดไปด้วยอันนี้ยมันก็ไม่ไม่ตรงไม่เกิดผลตามที่ควรจะเป็นจริงสาัยที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่ออมเจียรท่านไมัยทงพ่อเทียนเล้นอยู่นั่น ท่านเทศนี่ท่านก็ไม่ให้ใครยกมือนะทุ่คนนั่งฟังอย่างสำรวมพร้อมมีความเขียนก็เหมือนกันนะเ ว, เวลาแสดงธรรมท่นก็ไม่เคยบอกให้ใครยกมือมนการยกมือแล้วกฟังธรรมนี่มันก็เป็นของประดิษฐ์ที่มาในระยะหลังเราเคยแปลทิ่ปลายนะที่นึ่งที่ทํายิงฝัน ระหว่างที่คนที่จะพิจารนั่งพิจารณามันโตพิจารณานี่ระหว่างที่ผมพูดเอาก็ยกมือไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขายกมือเพื่อเรจริญสติหรือยกมือแบบยกไกปฟังไปทำสองอย่างในเวลาเดียวกันมั่นก็ไม่ดีนะมันต้องทําตีละอย่างทีอย่างทําเป็นอย่าง จุดที่จะสนใจคนนี้มีแค่จุดเดียวนะเช่นถ้ายกมือก็กให้ใช้ไม่ให้รู้กายไปตอนที่ยกมือก็รู้กายส่วนเสียงที่ได้ยินก็เป็นสัตว์ได้ยินเสียงบรรยายก็ดีเสียงจริงเหล็กก็ดีมีค่าสเสมอกันนะสาหรับผู้ที่ยกมือช่างา ง, างนก็คือว่าให้มันผ่านหูไปอื เวลาเสียงจริงหลีดดังแล้วก็ไม่ได้สนใจเสียงจริงหลีเ ส, ลสบบเสียงมันดังก็ดังไปแต่รับรู้สักแต่ว่าได้ยินก็ควรปฏิบัติกับเสียงบนไดาแบบนั้นแบบเดียวกับเสียงจริงหลีนะ่ะคือว่าสักว์แต่ว่าได้ยินไม่ได้คิดจะไม่ได้พิจรารณาอะไรให้มันผ่านหูไปแต่ถ้ายกนุยด้วยแล้วก็ให้รู้กายด้วยแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยเนี่ยมันมีสองสองจุดส น, สนใจไม่ใช่ ปฏิบัติไปก็เพื่อรู้กายทุกหมูก็เพื่อรู้กายแต่ถ้าจะฟังก็ฟังอย่างมีสติก็ก็คือเอาใจอยู่การฟังฟังตามธรรมดาไปเรื่อยๆตรงไหนติดก็อย่าเพิ่งไปไข้คว ม, มันมากก็เพราะไงั้นไปติดค่อยอยู่ที่ค่อยคำบางคำบางไปอยู่ ตัวบรรายบรญยายเปกลายแล้วนี่ยังติดอยู่กับของเก่าอยู่อันนี้ก็เรียกว่ามันอยู่กับอดีตแล้วมันไม่มไม่เป็นปัจจุบันมีมีสติการตติดตามไปเรื่อยๆตรงไหนไม่ไม่เข้าใจก็เจ็บได้ก่อนตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆหรือว่าบางทีฟังไปใจคิดเรื่องอืน่นไปอังกลับมาอันนี้เรามีสติเพการฟังเวลาฟังก็ฟัง อาจจะพึงนิ้วอาจจะพึงนี้ไปด้วยเพื่อไม่ให้ให้เผลอก็ราะบางทีฟังแล้วใจลอยมีการลึงนิ้ดึงจิตให้กลับมาโดยการฟังได้แต่ถ้าหากว่าฟังไปด้วยยกยกมือไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยนนี่มันไม่ถูกจะยกมือก็ให้มีสติาการฟังให้มีให้มีสติาการยกให้รู้กายไปไม่ต้องรู้เสียงบรรยาย แต่ตอนนี้พอพอเอห็ก็นอื่นทํากันไงนก็เลยทํากันบ้างก็เลยไม่รู้ความหมายแล้วทำไปทําไมก็คิด ว, ว่าเพื่อเจริญสติแต่ว่ า, ววาปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็กเดินจองกร ม, มก็ฟังไปด้วยฟังธรรบรรญัตไปด้วยมันก็นได้ผลน้อยตอนะที่เดินจองกรมก็ให้รู้กายไปเขีงยงบัญญัตก็ให้เปยนแค่ผ่านรู้ ร you know, ู้บางไม่รู้บางเข้าใจก็งไม่เข้าใจบางช่างนั่งนั่งมาเราฟัมเสียงจริงหรือยินเสียงจริงหรือันนี้คนจะไปติดที่รูปแบบไปไปติดที่รูปแบบแล้วก็เลยทํำตามๆมาทีนี้ทโดยที่ไม่เข้าใจความหมายแถนไปคิดว่าทําอย่างนี้คือดีใครไม่ทำคือไม่ดีในปฏิบัติก็ไปว่าเขาว่าทำนั้นไม่ยกมิ้เป็นฟังมันก็กายกันใหญ่ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นศีิรัสตะกรามายอย่างหนึ่งสิรัสตะกรามานี่ก็คือการที่ยึดติดในในรูปแบบในข้อวัดการปฏิบตัติความหมายหนึนะของีิรัสตะกรามาความหมายที่เล้วคือว่าการปฏิบัติที่ที่มันฉาบทาด้วยกิเลสด้วยทิจิมนะันด้วยตัญหาด้วยทิฐิด้วยมนะัน ก็คือปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยเจ อ, อได้กิเลสแต่ความหมายที่ใช้ในชั่วกลางกับการมีจิตที่รูปแบบมีจิตที่รุ่นแบบยังก็ยกมือก็ยกมือนะแต่ไม่รู้ว่ายกมือทําไมหรือว่าอก็อบอกว่าให้ อ, อย่นั้นจะอย่างนี้ก็ทําทำตแต่ว่าทําโดยที่ไม่รู้ความหมายมันก็เลยถึงจิตเอาละชาตเรียกงเป็นตัวนี้